ท่านสาธุ 17 มิถุนายน 2533 ท่านที่ผู้ฟังหรืออ่าน สำหรับวันที่พูดนี้คือมันเป็นมาหลาย 17 มิถุนายน 2533 ไป ขอโยมสรรค์ผู้ก่อนท่านโยมเกศรินทร์ผู้ก่อนที่จังหวัดพิษณุโลก ik heb een heel groot aantal dingen in mijn oog. Ik heb een in mijn oog. Ik heb een heel groot aantal dingen in mijn oog. Ik heb een heel groot aantal dingen in een ik heb een soort van een soort van meek van zo'n psychische en knijker. Ik heb een kindermijt op. Ik heb een kindermijt Ik heb een kindermijt op. Ik heb een kindermijt op. Ik heb een kindermijt op. Ik heb een Ik heb แล้วท่านมีความปรารถนา 1 ปีขอ 1 ครั้งซึ่งมีกําหนดว่าเดือนมิถุนายนถ้าเป็นวันอาทิตย์จะไปบ้านของท่านทีนี้พอ ศ. นี้ คือขอทั้งหมดรวม 40 คนทั้งพระทั้ง รู้สึกว่าจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดี ให้ 14,450 บาทแก่ 5,010 บาทแล้ว 19,060 บาทสร้าง 35,410 บาท เงินสงฆ์หมายถึงว่าถวาย 5,210 บาทเงิน 1,000 บาทถวายส่วน 3,460 บาททั้งนี้ คือ 410 บาทแล้วก็ 6,522 บาท 50 สตางค์รวมแล้วเป็นเงิน 17 นิสนายืน 2533 18803 ขอโทษ 188333.50 บาทก็ขออัญเชิญตนมโนทนา ที่ร่วมบําเพ็ญกุศลร่วมกันทั้งหมดขอทุกท่านจงมี จะหาว่าอ้อแล้วจะหาว่าโอดจะหาท่านทั้งหลายที่ตายตายไป เป็นว่าอาตมาก็ การเกี่ยวข้าวหา ไปจึงกรรมฐานกับพระหนองอีกครั้งหนึ่ง Hammatitolga prakmais van watitolga, wat wat het je hoe นี่นักตําราแต่ว่านักปฏิบัติที่เขาได้ <c oughs> มีความเป็นทิพย์เค้าเรียกว่าทิพย์พิเศษไม่มีการ ก็ว่าวันมะรืนนี้ ท่านบวชท่านจัดห้องไว้แล้วสําหรับ 3 อย่าง นึ่งเมธีศีลสิกขาแล้วขา 2 อาทิ 2 2 อาทิจิตตสิกขา สมาธิปัญญาศีลขานั้นหมายถึงว่าใช้ปัญญาตัดกิเลสที่เป็นสมุทเฉทตระหันแต่ว่าจะ จึงแปลเป็นในความว่าข้าพเจ้าขอรับภากาเสวพัชมาเพื่อทํา 3 องค์ว่าถ้าเราอยู่ต่อไปถ้า ธร pattern chest of people are done. If a person who's done, they need work and do them with their courage. But if a person not invested in this room so <c 195 2> I mean, oh no longer simple and same way. If he stays with the ability to create good seats, they find good ourselves. They don't want to talk to others. You know, control yourself, three kilograms 조금. Their процесс to doосס a เมื่อได้ขึ้นไปบันไดถ้าไม้ตีบันไดปังปังปัง 3 ทีท่านถามว่าเพราะ 3 คนนี่จะศึกไปเป็นที่ข้ามหรือคืออยู่อย่างนี้ไม่ดีหรืออยู่อย่างนี้เป็นสระถ้าศึกไป กรุงความว่าเมื่อตัดสินใจว่าอยู่ก็ตั้งใจเจริญกรรมฐานหนักขึ้นเพราะการอยู่ต้องใช้กรรมฐานบริเพห์เลี้ยงเพราะ ถ้าถามๆมันๆคิดว่าคน <c oughs> ก็บังขอเล่าลัดตัดใจความเดี๋ยวมันจะไปไกลในเมื่อถึงวันมรืนตามที่พระปันสั่งพระสั่ง พอถึงกําหนดวันฉันเข้าเช้าแล้วก็เวลาลงพบปาน ก็โทษเดินทาง กายก็ยังร้อยก็มีความรู้สึกว่าถ้าหาก ญาติโยม <c oughs> เขาเรียกกันว่าธรรมใหม่คำว่าธรรมใหม่นี้ก็คืออภิญญายกประเด็นว่าพระทั้งสององค์นี่เป็นผู้ทรงอภิญญากัน 2 ท่านเมื่อเข้าไปก็นมัสการท่านกราบท่านแล้วท่านบอก ถ้าเป็นพระที่พระท่านเถอะฉันจัดไว้แล้วท่านก็นําไป ก็กราบท่านท่านก็กราบพวกเราก็อาบน้ําอาบท่านนอนพักตาสบายถึงเวลา 20:00 น. ก็ไปหาท่านท่านก็บอกว่าเอาพวกเธอทั้ง 2 องค์หลับตาใช้กําลังฌานตาลําดับใช้กําลังฌานตาลําดับที่ได้มาสติขณะอาตมาก็พังสลบตาแล้วใช้ พอถึงที่สุดของฌานทั้ง ที่เข้ามาเองกับฉันน่ะ <c oughs> <c oughs> ท่านครับท่านก็บอกว่าในเมื่อเธอมีความรู้สึกว่ายังไม่จบมันก็ต้องไม่รู้ว่าเวลานี้ ranging thinking utiliser Kolars然. Verena soigns with Lebenurs. Systems, two people ask Tentang explicitly Doshawe shall be despite the belief in earth and prof pogob how do they believe in himself? Only these two people say, 3 filmur trots it is given in the 3rd edition of His Therese Frодарadji His Cenicalism is one국. that knowledge. more Xingheld Rusish Events he said, if it is นบสังโยชน์ 3 เนี่ยไม่ต้องห่วง เลยบอกท่านบอก <c oughs> ก็ควรจะทําให้จบก็ถาม <c oughs> ในเมื่อเธอก็สามารถจะตรัสสนธิได้เหมือนเพื่อนถ้าพระไม่อนุญาตเธอก็ไม่มีโอกาสก็กลับเรียนถาม และพระอริยะสาวกทั้งหลายนั่นคือพระ ก็กราบเรียนท่านบอกว่าการเรียนธรรมนี่ก็ผมไม่ทราบก็รับจะ ท่านจะแนะนำทางตรงของเราเรา เวลานั้นอารมณ์ใจเป็นทิพย์เต็มที่ถ้าต้องการเห็นพระจะพบพระจะเป็นพระองค์ไหนก็ได้ คนที่ติดต่อไปก็กราบเรียนถามว่าเวลาที่หลวงพ่อเทศน์ตอนเช้าๆโปรดโยมสิริพพานบอกว่าตอนเช้ามาฉันข้าวเสร็จแล้ว <c oughs> จึงก็ดูหนังสือตามแบบฉบับที่ เวลานั้นไม่จำต้องใช้อารมณ์คิดเมื่อมีความรู้สึกยังไงพูดตามนั้นนั่นเป็นบิลาของพระที่ แต่เพราะอย่างยิ่ง 2 องค์นี้ธรรมะเสื่อมไม่มีไม่ถึงเพื่อนเธอก็ตัดสัญโยชน์ 3 ได้แล้วเธอยังเป็นพุทธภูมิพุทธภูมิ ในเวลานี้หาตามปกติก็หากินกับเทวดากับ 100% ไม่ ผู้ตนจะพ้อเรื่องว่าอาตมาน่ะเขาจะเข้าใจไม่ได้แม้แต่พระก็ไม่มี แล้วก็ไม่แบ่งอาหารเอามาเค้า <c oughs> ก็ทําอย่างนี้จริงๆประมาณ 10 ปีถ้าจะถาม ถ้าเราไปกล่าววาจาโอวดพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นอุปกิเลสเพราะการแสดงตัวว่าเราเองไปพูดเจริญกรรมฐานผมผ้าสีกัดทั้งท่าหลับตาทั้งท่าซึ่งก็พึงยามเกินไปอย่างนี้เป็นการโอวดแสดงออกว่าฉันเจริญกรรมฐานพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเป็นอุปกิเลสทำไม่ได้ต้อง เพลยญามปกติทั้งหมดจะทําตัวเหมือนกับชาวบ้านเหมือนกับพระธรรมดาธรรมดาทั้งหมดอย่าคุยซะนึกฝันนั้นเฮฮาตามเรื่องตำราไปไม่ขัดจังหวะกันแต่ว่าถึงเวลาจากนั้นพระต้องก็พยายามสอนพอ ทุกองค์จึงกําหนดใจดูพระวรูปร่างไปยังไงก็บอกรูปร่างกับท่านว่าสีธรรมนะเป็นแสงแสงหนึ่งพุ่ง พระหนงทั้งอาทิตย์เทศไปเทศไปเทศไปพอจบลีลาการเทศสรรเสริญนั้นก็ลอยกลับ วันนี้ก็รู้สึกว่าไม่สบายมากข้าวก็ฉันไม่ได้พบไว้ข้าวก็เบื่อแรงก็น้อยก็หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีพัดธนมงคลสมบูรณ์พูนผล